เราเคยคิดจะมาทำศีลให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตรหรือว่าเออเรารู้เนื้อรู้ตัวเป็นคนดีมันใช่แค่นี้ไหมมันใช่ไหมที่จริงตรงนั้นน่ะที่จริงที่ยอมรับมาเนะี่ยเออเป็นคนที่ตั้งใจดีนะเนะี่ยถ้ามีอุบายจเจริญเนี่ยโหจะจะเก่งมาก แท้จริงก็มาตั้งใจเออวันนี้วันพระนะเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่รักทรัพย์เราจะไม่ประพฤติผิดในกรรมเราจะไม่พูดเท็จเราจะไม่พูดส่อเสียดเราจะไม่พูดคําหยาบเราจะไม่พูดเพ้อเจ้ออันนั้นเป็นความตั้งใจทั้งหมดแต่พอตั้งใจแล้วอะไรต่อล่ะอะไรต่อตอนนี้สําคัญที่สุดเนี่ยอตั้งใจเนี่ยถูกแล้วนั่นเป็นเจตนาเป็นความมุ่งมั่น <Yeah. S 1> ใช่ไหมมันต้องต่อด้วยการที่ว่าไม่ต้องให้เห็นว่าสัตว์นั้นปรากฏเฉพาะหน้า ก็สามารถเจริญให้กุศลศีลเกิดได้นี่ถือว่าถือว่ากุศลศีลเชิงลุกไม่ใช่เจริญกุศลศีลเชิงลับเชิงลับเนี่ยมันก็เพียงว่าเดี๋ยวให้ยุงมากัดก่อนจึงค่อยคิดว่าจะละเวน้นใช่ไหมเดี๋ยวให้คนมาด่าก่อนแล้วจึงค่อยละเว้นที่จะไม่ด่าตอบให้คนมาปทุสลายเราก่อนเราจึงจะได้งดเวน้นถามว่าคิดอย่างนี้อ่อนแอหรือไม่อ่อนเนี่ย เป็นสภาพจิตที่อ่อนแอมากการเจริญกุศลเนี่ยเขาเจริญกุศลในเชิงสมมุติว่าถ้าเราจะทำงานเนี่ยนะเออนั่งอยู่ที่นี่แหละยมสารวยกันนั่งไม่คิดแล้วว่าจะสร้างฐานะยังไง เอาใครมาให้ทําอะไรก็ทําถ้าไม่มีใครมาก็นั่งรอไม่มีวิธีการคิดว่าจะหานโยบายยังไงเชิงลุกที่จะทํำนู้นทํา น, นี้ถามว่าจะรวยมาได้ไหชีวิตมันไม่ได้หรอกแล้วมันจะเจริญงอกงามในทรัพย์ไม่ได้หรอกการเจริญธรรมะในศาสนาของพระชินเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเชิงลุกแต่เรามารักษาเชิงตั้งรับแล้วถอยล้อนอีกต่างหากเนี่ยไอตรงเนี้ย ไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวถอยล่นด้วยหนีด้วยถ้าวันพ้าทึงจะไปรับรับสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าวันธรรมดาไม่ต้องมีศีลก็ได้ฆ่าสัตว์ได้พูดเท็จได้สอ่อเสียดได้ยกเว้นวันพ้าวันเดียวไอ้ น, นี่ยิ่งผิดใหญ่เลยยิ่งผิดใหญ่เลยจริงไหแล้วเดี๋ยวข้อที่จริงเป็นไงี้ไหแล้วทีนี้การรักษาศีลเนี่ยมันเกี่ยวกับการเจริญเอางี้หนึ่งเราไม่ได้ลุกไปฆ่าบุคคลเหล่านี้เลยแต่เราสามารถ ทำกุศลศีลข้อแรกให้เกิดได้ไหมเนี่ยเรามองมองบุคคลที่กำลังนั่งประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหมดเราสามารถทํากุศลศีลให้เกิดขึ้นเป็นล้านสองล้านครั้งเป็นกดโกรธครั้งและเกิดขึ้นได้ตลอดเป็นชั่วโมงชั่วโมงไ้ไหมได้ไม่ได้เห็นไหมเราไม่ไม่มีใครจะมาฆ่าใครเลยนะตอนเนี้ยแต่ด้วยการที่คิดทําไมต้องคิดเพราะกลุ่มสังขารขันกลุ่มเจตนาทั้งหลายต้องปรุงแต่งจิตให้ชํานาญ เพราะจิตจะไม่ได้ออกแรงไม่ได้ออกกําลังเลยแต่กิเลสมันออกกําลังตลอดน่ะมันออกแรงในกระแสะชีวิตเราตลอดน่ะแต่ตัวกุศลเราไม่เคยได้ออกแรงในการไข้ควรที่จะป้องกันและลับาปเลยฉะนั้นจึงต้องคิดว่าชีวิตของท่านผูน้นี้เราสามารถหยิบชีวิตแต่และชีวิตมาเจริญกุศละศีลข้อแรกได้หมดเลยเอาเจริญยังไงนหนึ่ง จักบอกว่าจักงดเว้นจากการฆ่าชีวิตของท่านผู้นี้ข้าพเจ้าได้งดเว้นมานานแล้วและไม่ใช่งดเว้นไม่คิดไม่ไม่ไปฆ่าเท่านั้นแม้จิตที่คิดจะฆ่าก็ไม่มีและไม่คิดเบียดเบียนด้วยและไม่โกรธกระแสชีวิตของท่านผู้นี้ด้วยและยังมีความคิดว่าขอให้กระแสชีวิตของท่านผู้นี้ จงเป็นไปกับความไม่มีโรคไม่มีเวรไม่มีภัยเถอะอจงอยู่อย่างยาวนานในกระแสชีวิตของตนเองไปตามอายุขยข้าพเจ้าเอากระแสชีวิตของท่านผู้นี้เป็นประธานน้อมให้ความปลอดภัยในกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลทั้งสิ้นจงเป็นผู้มีความสุขปราศจากทุกข์มีใจเบิกบานเถอ มีความรักความปรารถนาดีเอื้ออาทรต่อสัตว์โลกทั้งหลายแบบจับจิตจับใจอันนี้ใช่กุศลศีลข้อแรกเชื่อมโยงเมตตาไหมถามว่าเมตตากับศีลต่างกันตรงไห น, นไม่ต่างเลยก็ตัวคุณธรรมงดเว้นจากการฆ่านั่นแหละแต่พอมาพูดเรื่องเมตตาแล้วก็มาสอนเมตตาแท้จริงก็คืออาโทสาก็คือความไม่โกรธ ความไม่โกรธคืออะไรความไม่โกรธก็คือสภาวะธรรมที่เป็นเหตุถ้าความโกรธคืออะไรความโกรธก็คือสภาวะธรรมที่เป็นเหตุประทุสลายที่เกิดขึ้นพร้อมกับ ก, กระตนเป็นโทสะถ้าเมตตาก็คือธรรมชาติที่ไม่ประทุสลายเพราะโทสามันทาาําลายกายและใจไหมทําลายกายและใจแต่ตัวกุศลศีลข้อแรกเนี่ยเป็นตัวเมตตาเป็นตัวที่ส่งไม่ทําลายกายและใจของตนเองและบุคคลอื่น นั้นถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นชัดว่าสัตว์โลกทั้งหลายอย่างเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มาก้วยความโกรธนะนิดเดียวเราก็โกรธนิดเดียวเราก็หงุดหงิดนะเชื่อเหลือเกินท่านที่มาหนะ้าที่ตรงนี้เคยหงุดหงิดกับเพื่อนร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่น้อยอันนี้บ่งบอกว่ากุศลชั้นศีลมีปัญหาไหมเนี่ยเพราะตัวความโกรธก็ตัดรากของกุศลศีลตลอดแล้วกุศลศีล จะเจริญงอกงามไหมถ้าเอาข้าวไปปลูกแล้วเราไปถอนรากมันทุกวันข้าวนั้นมันจะเหลืองหรือมันจ ะ, จ, ะ จ, ะจะเจริญงอกงามถอนทุกวันตายไหมละข้าวตัวนี้ตายแล้วตอนนี้ถอนไปกี่รากแล้วเนี่ยถอนไปกี่รากแล้วถ้ามันมองเห็นหน้าตาศีลจริงๆเนี่ยนะเผอิญศีลเป็นนามเป็นนามธรรม ถ้าเห็นหน้า <S <S เห็นตาสีจริงๆมองปั๊บนี่นั่งหัวเราะกันเลยเหลืองเป็นแถวเป็นแนวหม เ, เ, เลยโซ่เลใช่ไหมละ่ะมันไม่เจริญเนี่ยมันไม่เจริญงอกงามเนี่ยเพื่อนมันมองไม่เห็นพราะเราแก้งสงบนิ่งๆก็ไม่มีใครรู้ว่าเรามีสีหรือเปล่าใช่ไหมละ่ะใช่ไหมใช่ <S <S ใชแล้วนั่งนิ่งๆไม่มีใครรู้เลยเอามานั่งอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้อ่ามาได้แล้วว่ามามีศีหรือไม่มีศี เว้นแต่อมารู้จักศีลแล้วไม่ใช่ศีลอมาก็จะรู้จักโอศีลไม่เกิดอุศรศีลไม่เกิดจริงเป็นแต่สัมนวนคำพูดเท่านั้นเองออกมาเหมือนมีศีลแต่จริงๆโดยข้อเท็จจริงสภาพที่ความเป็นความตัวงดเว้นจากบาปอุศราธรรมอลามมกจริงๆไม่เกิดอตรงนี้ก็ตรงนี้ก็สังเกตดูนะยากไหมการเจริญศีลเอาความไม่โลภความไม่โลภเป็นศีลยังไงความไม่โลภเนี่เป็นศีลยัง ไ, มไมงไ ความโลภเป็นเหตุแห่งการฆ่าได้ไหมฉะนั้นความไม่โลภนี่แหละเกิดขึ้นเป็นประธานต่อการงดเว้นได้ความไม่โกรธก็ไม่คิดประทุสรายเขาเป็นต้นก็เป็นเหตุแห่งการงดเว้นได้ตัวปัญญาเคยพิจารณาว่าทําไมไม่ร่วงละเมิดเพราะเราเข้าใจกรรมและผลของกรรมเมื่อรู้ว่าตัวกุศลศีลเป็นกุศลกรมรมจึงน้อมเอากุศลศีลมาเกิดในชีวิตจริงและทํามันเกิดจริงๆ เพราะเรารู้นี่ชีวิตที่มันเดือดร้อนมาก็เพราะความไม่มีสีนี่แหละไอ้พูดมาถึงตอนนี้แล้วยากไม่ยากเราักษายสิเนี่ยแล้วลลเราสิละสาเราเราสายนบางทีเราจะพูดอะไร mm hmm. เหมือนก็งน้ำอ้าอย่านะอะรเนี่ย อ๋อแต่คําว่าห้ามเนี่ยยาในที่นั้นเน่ยเป็นชื่อของวิรัตอันนั้นเป็นตัวงดเว้นเหตุผลที่งดเว้นเพราะมาจากเจตนาคือความจงใจและตั้งใจไวไอ้เจตนาที่ตั้งใจไว้และสมาทานจากสํานักของครูผู้มีศีลทั้งหลายเป็นต้นเหล่าเนี้ยนั่นแหละเจตนาคือความตั้งใจนั่นแหละกระตุ้นเตือนที่สุดจริงๆก็ทําให้ตัววิรัตมีกําลังขึ้นเวลาจะล่วงละเมิดทีไรก็ระลึกได้ว่าเออไม่ควรต่อเราก็มีธรรมชาติที่หดกลับ ถอยกลับจากบาปอกุศลหดกลับจากการฆ่าได้จริงๆขิดกลับจากการลักได้จริงๆริหดกลับจากการประพฤติผิดในการมได้จริงพอจะพูดเท็จและสภาพที่มีความไปตั้งไว้ในใจเสร็จก็เป็นธรรมชาติที่ถอยล่นออกจากไม่ไม่ไม่กล่าวเท็จได้จริงแล้วแล้วก็ไม่พูดส่อเสียดคําหยาเพื่อจอก็มีสภาพแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่นะซึ่งไม่เหมือนกันเนี่ยก็สังเกต ด, ดูใครเคยเห็น สภาพจิตใจที่งดเว้นนะจากการฆ่าเคยบ้างไหมคิดวิจิพานมาและนึกถึงความรู้สึกตรงนั้นได้ไหมยังนึกได้อยู่ไหมนั่นแหละเอาความรู้สึกตรงนั้นเรามาเลือดๆบ่อยๆอันนั้นเป็นกรรมฐานนั่นแหละเป็นกรรมฐานนั่นแหละเป็นอนุสติพอร ะ, ะลึกบ่อยๆ อ, อย่างนั้นมันก็จะเกิดความรู้สึกปรามโมดพิติ แล้วก็เกิดสมาธิได้ง่ายถ้าใครไม่เคยเห็นสภาพของการงดเว้นจากบาปได้จริงแล้วเอามาระลึกเลยเนี่ยคนคนนั้นก็ไม่เคยเห็นหน้าตาของสีแล้วปวดทำไไดาไรเนี่ยปวดขึ้นได้แล้วก็ไปขี่แล้วเอาก็คิแล้วก็ยกลวดายมือึ้วข้ขึดนขึ้นนขึ้ัขขน มันก็ตายนั่งอ่ะเราก็บาก็ไม่ยังงี่แต่ใ้แพทย์เขามเลือกกินกันยอดไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามาตอบไม่ได้นะแต่มานึกแล้วว่าปัญหานี่ปัญหาโลกแตกไปที่ไหนก็เจอในคำถามแบบเนี้ย เรื่อแปรกมาก็อธิบายจริงๆมาอธิบายเรื่องศีลในรายละเอียดไว้ละเอียดมากๆเลยนะจริงๆหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วอธิบายไปเสร็จเนี่ยบางคนไม่ยอมเอาไปฟัง เ, เจอใหม่ถามใหม่แล้วมาก็ต้องตอบปัญหาเดิมก็าจะจะมาตอบปัญหาเดิมก็มคือเมื่อคนรักษาศีลเข้าใจในศีลก็รู้ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรทํายังไงที่จะไม่ให้เขาตายหนึ่งจิตที่คิดจะฆ่าไหม หนึ่งสัตว์มีชีวิตสองรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตสามมีจิตคิดจะฆ่าสี่ทำความเพียรเพื่อฆ่าห้าสัตว์ตายลงเพราะความเพียรใช่ไหมล่ะมันหลักกฎเกณฑ์แต่เชื่อไหมว่าถ้าความคิดที่คนมีฮิริโอตตัปะอย่างเบานี่เนี่ยอย่างพระมหากระสนพอเห็นนกจิกกินกบและเขียดในที่ของท่าน หรืองูมากินกบกินเขียดในที่ของท่านหรือมีสัตว์ทั้งหลายปทุษรายในที่ของท่านท่านก็ถามว่าอันนี้ที่ใครก็บอกอที่ของเจ้านายเออเนี่ยสัตว์ที่มาทาบาปฆ่ากันตายในที่นี้บาปตกแก่ใครตกแก่เจ้าของที่ท่านสละทิ้ง่ังดีเลยนี่คนที่มีฮีโร่ตะปาชั้นสูงเราจะมามีที่ให้สัตว์ทําบาปกันทำไม เราออกบํเขขาเพ็ญเรฆคามะดีกว่านิสระบวชเลยอันนี้คือคนที่มีหิริอัตประระดับสู ง, งก็นี่คือคนที่มีความละอายอย่างอุกฤษอย่างสูงสุดและก็เป็นพบสุดท้ายที่ท่านจะสละแล้วออกบวชและท่านได้บลุไปแล้วนี่คือพระมหากรศกหนึ่งในสาวกของพระผู้ทธมีภาคะเจ้าที่เป็นองค์แห่งการทำบา ร, รมสังกยาณาที่เป็นประธาน จะได้รู้ว่าจิตใจของคนที่บา ร, รมีเขาเต็มเนี่ยเขาคิดขนาดนั้นอย่างเรามันมีเงื่อนไขเยอะกิเลสเราอมีเงื่อนไขพอเรา เ, เรียนเบสเสร็จก็กิเลสว่าสัตว์มีชีวิตรู้สัตว์มีชีวิตมีจิตที่จะฆ่าทําความเพียรเพื่อฆ่าสัตว์นั้นตายลงในความเพียรโอ้เราไม่มีไม่ครบองค์เราไม่บาปมากหรอกใช่ไหมเราเพราะเรายังหวงเพราะเราสําคัญว่าที่ตรงนี้เป็นที่เราไงแต่เราไม่เคยไปนั่งถาม คุณปวกเขาก็คิดว่าที่เขาไหมแล้วจริงๆแล้วที่ใครแล้วจริงๆแล้วที่ใครก็ใช่ปวกเขาก็ยึดเราก็ยึดเพราะเรามีกำลังมากกว่าแล้วก็รังแกเขาแค่นั้นแหละได้หลักการทุกคนก็มายึดกันทั้งนั้นแหละเนี่ยพอมาอยู่ที่นี่นานๆเดี๋ยวอามายึดเป็นวัดอีก เามาอยู่นานไม่ได้อย่างนี้เดี๋ยวก็กีเลรยเยอะใช่ไหมล่ะแหนีสิ่งที่มันไม่มีภาระยังกลับมาแบกภาระดิโอโหไม่เอาแล้วใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรีทูย นัเจตนาเนี่ยแหละเป็นตัวจัดแจงซึ่งนา ม, มาทําทั้งหลายนะไอ้กลุ่มเจตนาคือความตั้งใจเขาก็คอยจัดแจงเพราะผัสสะจัดแจงเวทนาเพราะจะจัดแจงเวทนาตัวเวทนาก็เข้าไปสวยรสชาติของความมีศีลชื่นใจจัดแจงผัสสะก็ผัสสะก็ไปกระทบสภาพจิตสภาพอารมณ์ที่ปราศจากการล่วงละเมิดจากการฆ่าเป็นต้นมันก็ทําให้สุขสมันน่เกิดขึ้นได้ง่าย สัญญาก็ไปจําสภาพที่งดเว้นจากการฆ่าเป็นต้นได้สังขารก็ปรุงแต่งใช่ไหมเป็นต้นสภาพของศรัทธาก็มีความเชื่อมั่นในกุศลศีลเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าถ้าเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเป็นพุทธคุณเชื่อมั่นในตัวกุศลศีลเป็นพระธรรมคุณถ้าเชื่อมั่นว่าตัวกุศลศีลที่ไหลอยู่ในกระแสชีวิตของพารี ย, ยาญาติทั้งหลายเป็นสังฆคุณก็เริ่มเอาตัวกุศลศีลมาประชมไว้ในใจได้จริงมันเห็นไง มีความเชื่อมั่นศรัท ธ, ธาสติก็ไประลึกมั่นในในตัวกุศลศีลก็เข้าใจชัดปัญญาก็เห็นชัดคือสติเนี่ยระลึกคุณพระเจ้าเพราะสติเป็นธรรมชาติที่จำได้ระลึกได้ระลึกในกิจที่ทำคำที่พูดแม่นานได้ตัวสตินี่นะเรียกว่าสีลานุสติเนี่ยสติมีกำลังนะ ไประลึกถึงศีลของตนเองตั้งแต่เป็นอุบาสิกาในศาสนาของพระชินเจ้ามาเป็นอุบาสกในศาสนาของพระชินเจ้ามาไม่เคยล่วงละเมิดศีขาบทเลยพิจารณาแต่ละครั้งก็ปราหม้อปิติแต่พอพิจารณาไปโอ้ยปลวกเราก็ฆ่ายุงเราก็ฆ่าแมลงวันเราก็ฆ่าหมาเราก็ฆ่าอะไรต่างๆสัตว์เราฆ่าเราเบียดเบียนกันไปเยอะพอระลึกได้เป็นไง สร้างหมอเห็นไหเนี่ยฉะนั้นตัวกุศลศีลเนี่ยสติจะมีกําลังเจตน า, าก็กระตุน้นเตือนบางคนบอกมีศีลแต่สามารถระลึกได้ไม่มีตอนไหนไม่ได้แล้วจะแล้วอะไรคือศีลเนี่ยแล้วไหนเป็นยังไงอย่าลืมเจตนาที่เป็นศีลก็กระตุน้นเตือนผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกขตาชีวิตจิตตนทริงมาแล้วสิการเนี่ยวิโตวิจารณ์ที่มโหวิริยาภิจตนะกระตุ้นศรัทธา ให้เชื่อมั่นในปัญญาการตรัสรู้ดีของบุรุษเจ้าแลวตอนนี้ศรัทธาเราเกิดไหมถามจริงว่าเชื่อมั่นในศีลไหม <Yeah. S 1> เชื่อมั่นในในพระมหากรุณาที่คุณไหม <Yeah. S 1> เชื่อมั่นไหมว่าตัวกุศลศีลที่อ่อนแอจะต้องตั้งมั่นในกระแสชีวิตของเราให้ได้และกุศลศีลจากโลกียะจะต้องไปประชุมเป็นโลกุตตระให้ได้ เชื่อไหมว่านเราจะต้องเป็นพระอิยาให้ได้เอางี้คนที่เขาเรียนหนังสือเนี่ยที่เขาคิดว่าเขาจะต้องเรียนให้จบเนี่ยพอเริ่มแรกเขาก็บอกว่าสงสัยไม่จบแน่สงสัยไม่จบแ น, สสบน่คนคนนี้จะจบไหมเนี่ยหรือเวลาทํางานเนี่ยฉันทํากับเขาไม่ได้หรอกฉันทําไม่ไหวหรอก เราจะเลี้ยงลูกหกคนเลี้ยงไม่ไหวฉะั้นเลี้ยงไม่ไหวแล้วมันจะได้เรื่องไหมแต่ศีลเนี่ยมันต้องมีความมั่นใจดิใช่ไหมเมื่อเราศึกษาฟังจนเข้าใจ เ, เสร็จเนี่ยทําไมจะทําให้เกิดไม่ได้ถ้าทำมัเกิดไม่ได้ถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจากศีลธรรมดาทําไมศีลเป็นปัจจัยต่อสมาสัมปทาญาณได้พระประเจกัพระพุทธเจ้าทั้งหลายจากไม่มีศีลต่อมาก็ทําศีลให้ได้มาซึ่ง ป, ปเจกับพอิญญาได้พระลรหันตัสาวก ที่ได้โพสสาวรวัตโพธิ์ที่ทั้งหลายเนี่ยเขาก็มาจากผู้ไม่ค่อยมีศีลดีนี่แหละแต่เขาก็ทําให้เกิดขึ้นมาได้จริงและบรรลุกันนับไม่ถ้วนด้วยนับไม่ได้ด้วยนะเยอะแยะด้วยอเขาบรรลุกันหมดนะถามว่าบุคคลที่เขาบรรลุเขาคิดแบบพวกเราไหมเขาคิดพอฟังทำไปเสร็จเขาว่าสงสัยเราไม่รอดแน่เราไปไม่ไหวเขาคิดแบบนี้หรือเปล่าเขาไม่ได้คิดแบบนี้เขาคิดว่าต้องได้ก็คิดว่าต้องได้ เมย์ไปคิดอย่างนี้พวกมันนั่งกันเป็นห้าสิบหกสิบก็นั่งทอกันเป็นแถวเป็นแนวกินโอยอมซ้ํารวยบอกว่าสงสัยจะไม่รอดแล้วเนี่ยยุ่งไงเนี่ยใช่ไหมล่ะอลูกะเพียถามว่าเพียรแบบมีจุดหมายปลายทางหรือเพียนเรื่อยๆเพียรแบบตามสติกําลังหรือเพียนแบบเพิ่มสติไปทุกวันเพิ่มไปทุกวันแล้วเล็กน้อ เขาไม่ให้เขาไม่ให้เ ล, เล็กๆ น, น้อยๆแล้วเขาให้ตําทําให้เต็มกําลังทําให้เต็มที่แม่ไปค่อยเป็นค่อยไปได้ไงเวลาจะเดินกุศลก็ไม่ให้ค่อยเป็นค่อยไปที่ไหนแล้วยถาสติยะถากําลังถามว่าแม่ไปแปลอย่างเนี้ยไปแปลอย่างเงี้ก็เลยอ่อนแอเลยค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปจริงจังมากเคยสอนลูกไหมเวลาไปทํางานลูกเอ้ยเวลาไปทํางานน่ะ ค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องไปขยันหรอกไม่ต้องไปตั้งใจทําเต็มที่หรอกทําไปก็นอนไปทําไปก็พักไปไถามว่าคนนั้นจะประสบความสําเร็จไหมงั้นเจตนานั้นคอยกระตุ้นทําอื่นๆนะกระตุ้นศรัทธากระตุ้นวิริยะกระตุ้นสติกระตุ้นสมาธิกระตุ้นปัญญามันมาจากความตั้งใจคุณจะทำเหล่านี้ถึงจะเกิดถ้าไม่ตั้งเจตนาบ่อยๆ แล้วจะเกิดไหมคุณธรรมเหล่านี้มันแปลกประหลาดอยู่นะถ้าไม่ตั้งใจให้เกิดไม่เกิดไม่เกิดหรอกถ้าไม่ตั้งใจให้ศรัทธาเกิดมันก็ไม่เกิดมันก็ไปเจอเรื่องไฟบาปเนะี่ยไอความตั้งใจบาปมันมีเป็นอธัธยาศัยของสว์โลกอยู่แล้วฉะนั้นต้องกระตุ้นให้เกิดตรงนี้เหมือนกันอย่างเมตตาเนี่ยเวลาจะกระตุ้นเมตตากายกรรมเนี่ยอยู่ให้มันเกิดเองได้ไม ไม่ได้ไมัต้องกระตุ้นเพื่อจะให้เกิดนะกระตุ้นเพื่อจะให้เกิดถ้าเจตนาของบุคคลผู้มีศีลเนี่ยศีลเป็นกุศลกรรมไงทําไมต้องทําตัวกุศลศีล น, น่ะนะเจตนากรรมเหล่านี้ให้เกิดอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นกุศลฉะนั้นในกรณีที่เราเดินตามพุทธโอวาทํากุศลศีลให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ย ทุกเม็ดของเจตนาทุกกุศลเจตนาที่เกิดขึ้นลองคิดดูที่ว่าเรานั่งอยู่อย่างเนี้ยเราทําให้กุศลศีลเกิดอย่างต่อเนื่องได้คนบางคนเนี่ยนึกว่าเจริญศีลเนี่ยเออต้องไปเจอเหตุการณ์ก่อนจึงให้ศีลเกิดโอ้โหถ้าอย่างนั้นยุ่งนะเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับใครเลยนะใช่นไหมล่ะแล้วศีลจะเกิดยังไง ทีนี้เมื่อสีนั้นไม่เกิดขึ้นให้หนาแน่นไม่ควบคุมกา ย, ยกรรมแล้ววจีกรรมไม่ทำกายให้สะอาดไม่ทำวาจาให้สะอาดไม่ทำใจให้สะอาดแล้วเมื่อไหร่จะประชุมสติปัฐานได้ใช่ไหมล่ะฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องทำให้เกิดขึ้นหรือว่าร้อยมันเกิดเองต้องตั้งใจให้เกิดนี่มันมีหลักอยู่ว่าบางคนบอกว่าการปฏิบัติอย่างท่านก็เครียดสิ ใช่ไหมสู้อย่างโยอมไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวเออรู้เนื้อรู้ตัวเช่นคือไม่ต้องไปปล่อยวางให้หมดเพราะปล่อยวางให้หมดเบเสร็จก็เอาอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้มันก็ดับไปรู้มันก็ดับไปอ่ะใช่ไหมใช่เลย ประเด็นมันบอกว่าเอ้าเวลาไปทํางานเนี่ยก็ทําแบบรู้เนื้อรู้ตัวสมมติจะไปหุงข้าวก็ไม่กระตือหรือลดอะไรหรอกเอาก็ต้มไว้หุงข้าวเขาไว้ก็ตั้งเขาไว้นั่นแหละพอตั้งไว้เสร็จก็ดูดูมันอ่ะมันไหมก็รู้ว่ามันไหมน้ํามันแห้งก็รู้ว่ามันแห้ง มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราห้ามมันไม่ได้ไอ้ยอย่างนี้มันใช่ไหมไม่ก็ก็อะไรเกิดก็รู้ไงก็ต้องแก้ไขต้องมีปัญญาไม่ปล่อยมันไม่มันอันเดียวกันไห้เรื่องการปฏิบัติธรรมกับชีวิตจริงเนี่ยมันเรื่องเดียวกันในยอมในะที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการต้องคือคือที่เขากระตุ้นแล้วเขาไม่เครียดเนี่ยเพราะ เขาก็ตุ้นใจที่เป็นไปกกุศลไม่ใช่กระตุ้นจิตที่เป็นไปอ ก, กุศลแต่เรามันไม่เคยพอตั้งใจทีไรแล้วมันจะเครียดเพราะเราไม่เคยฝึกจิตที่เป็นกุศลไงอันเข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจหรอกเพราะชีวิตของพวกเราเนี่ยมันเคยตั้งใจอะไรทีไรมันเครียดทุกทีเช่นตั้งใจทํางานตั้งใจที่จะพูดสอนลูกสอนหลานตั้งใจจะประกอบอะไรต่างๆมันเครียดมีตกกังวลเพราเราตั้งใจด้วยจิตที่เป็นอกุศล ทีนี้พอมาปฏิบัติทำแล้วก็อไอความตั้งใจตรงนั้นมาตั้งตรงนี้สิ่งก็พี่ดีที่แต่พอไปเจอคําสอนมันก็ปล่อยวางถ้ามันชื่นใจมันเชื่นใจแบบเนี้ยตรงนี้ก็คือพยายามสื่อให้รู้ว่ามันไม่พอที่เราทํากันมาเนี่ยมันไม่พอคําสอนของพระเจ้าเนี่ยไม่มีการเฉยชามีแต่เร็วเร็วไวไวเท่านั้นแหละไม่มีไม่มีเฉยชา พระรูปเจ้าคนฉลาดปัญญานี่ปราดเปรื่องสาวกพระรูปเจ้าเนี่ปราดเปลือลปลปล่องทุกองค์เวลาไปโต้อตอบกันในราธีที่คนเนี่ยปัญญาล้วนๆทั้งนั้นแหละรู้ไหมเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เป็นเรื่องความเฉยชาไม่เรื่องของความซึมซึมไม่ใช่เป็นเรื่องของปัญญาในการที่จะไปทํากิจในการที่จะฉลาดรู้ทันกิเลสในการที่จะตัดรอบรู้รรอบรู้ทันกิเลสฉะนั้นจึงต้องมีการกระตุ้นคุณธรรมให้เกิดขึ้นแต่เราไม่เคยไง เคยจะกระตุ้นโลภะให้เกิดกระตุ้นโทสายให้เกิดกระตุ้นโมหายให้เกิดกระตุ้นมานะกระตุ้นทิฏฐิกระตุนะะตนะต้นวิจิกิจฉากระตุ้นหิริกาโนตปา่าความไม่ละอายต่อบาปความไม่เกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ตุ้นบ่อยมากเราตั้งใจทําบ่อยมากแต่พอมาวันนี้พอมาใช้เจตนาที่เป็นไปกุกศลเราไม่เป็นเลยมันไม่เคยเลยนะอที่ตั้งเจตนาที่จะทําให้กุศลเกิดเนี่ยบางคนพอไปตั้งพบอุ่นเครียด เช่นเวลาคนไปเดินกรรมฐานไปดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่กู ส, ลลส่วลศีนยังไม่ดีเลยใจยังไม่ยังเป็นคนใจไม่ดีก็ตั้งใจแล้วทำไม ไ, ไม่ได้ไม่ได้เครียดอีกกรอดอีกออกรอดอีกนะเขาโอ้โหการปฏิบัติเครีย ด, ดวันแนวนี้สู้แนวอื่นดีกว่าเอ้าทิ้งละไอแนวนี้ไปไปแนวอื่นเอ้แนวไหนนะที่ฟังมันสบายๆหน่อยฟังเย็นๆน่ะใช่ไหมเล่าโดยข้อเท็จจริงอ่ะพอไปฟังเย็นๆเออใช่แล้วเนี่ย อันนี้ถูกใจแล้วเกินมันเย็นมันชื่นใจเย็นโลภะมันก็เย็นได้ น, นะโยมเนี้ยไหทั้งนั้นคนฟังเพลงเย็นเย็นเขาจะติดเสียงเพลงได้ไงคนบางคนเนี่ยชอบฟังเพลงเย็นเย็นนะถามว่าเขาปฏิบัติทำปะมันเป็นโลภะมันเป็นความมันเป็นความโลภที่ละเอียดเป็นความโลภที่ละเอียดมันชอบความสงบเนะ ชอบอยู่คนเดียวนะคนที่มีคนที่ชอบฟังเพลงเย็นๆเนี่ยเขาชอบอยู่คนเดียวเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบจะฟังเสียงอย่างอื่นหรอก